ก็ความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงปร่พุทธยานในวันนี้ของผู้เรื่องสมาสติตาหลักที่ส่งแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสืบต่อไปก็ยังพูดอยู่ในช่วงของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกถึงกายของตนเอ่อต้องการที่จะบรรเทาความกำหนัด เพื่อเพลินชื่นชมยินดีในกายตนและกายของบุคคลอื่นที่ต่างปกติแล้วสามัญชนทั้งหลายนั้นจะมองวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงคือไปมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามแล้วก็ให้เกิดความกำหนัดเพื่อเพลินคล้องติดยึดถือจนถึงก็ต่อสู้ยื้อย่งกัน อย่างเรื่องราวต่าง ๆ, ๆในวรรณกันดีเรื่อในประวัติศาสตร์ทั้งหลายและแม้จะเป็นข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายกันจนฆ่ากันตายแย่งสามีแย่งพัญยากันแล้วฆ่ากันตายแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนเราไปให้นั้นแหละความสำคัญแก่ชีวิตกับสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางใจของตนเอง แตกต่างกันที่จริงชีวิตของเราที่เกิดมานั้นถ้ามีความฉลาดก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์พัฒนาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนตลอดถึงวงสกุลได้เป็นนั้นมากลักษณะที่เรียกว่าดีทายาิช่วยทายาิแต่ต้องหากว่าขาดเหตุผลขาดสติปัญญาในการมอง อาจจะใช้ชีวิตไปในลักษณะที่เลีวแหลกอย่างปัญหาที่มาประรบ ก, กันเรื่องการที่มทหนึ่งจัดระเบียบสังคมก็ที่จริงก็เป็นการรื้อฟื้นกฎหมายเก่ามาปฏิบัติกันนั่นเองตักคนไทยเรานั้นจะเก่งในการออกกฎหมายแต่ว่าไม่เคยใส่ใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคือปัญหาเรื่องแหลมเรื่องงมนั้นสามัญชนไม่ใช่ ต้องตัดขาดไปเลยแต่ว่าทำยังไงจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกปกติพอเหมาะพอควรพอประมาณไม่หมกมุ่นบุบวายจนถึงกับตเตลิดเขาแล้วก็พ่งไปขาดสมดุของความเป็นกุลบุตรกุลธิดาจะต้องรักษาเก็บยศศักดิ์ษีขององศ์สกุลแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอีกสารพัดปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการด่าร้างปัญหาการแตกแยกปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาอะไรตามมาเยอะมันก็ซึมซึ้งแกล้งเรียงรวม่าเนี่ยเราเตือนว่าแนวพวกนี้จะโลกมาเห็นแก่ตัวคือมองทั้งสิ่งที่ตัวเองจะได้แล้วก็ให้ความต้องการแก่ตัวเองโดยไม่รู้ว่าสังคมที่เราเป็นสมาชิก อ, อยู่นั้นจะกระตุ้กเทือนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนคือขาดสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก็ไม่ได้หมายความมาทุกคนแต่ว่าส่วนส่วนมากเนี่ยค่อนข้างหนักไปในทางนั้นเพราะนั้นใครแตะต้องอะไรไม่ได้ยืดต่อต้านที่จริงมันเริ่มมาจากโลภะเริ่มมาจากราคะโมหะแล้วพอใครเกิดความมันก็กลายเป็นโทสะเพราะนั้นการตามไปแก้มราต้องแก้ที่ตัวราคะกับตัวโมหะไอตัวตัวราคะกับตัวโลภะโดยการไปพัฒนาที่โมหะ คือหมายความว่าเปลี่ยนแปลงโมหะให้เป็นปัญญาและอย่างอื่นก็จะได้รับการแก้ไขเพราะแนาตรงนี้จะลองสังเกตว่าใช้สติกับปัญญาเนี่ยเป็นหลักสติเป็นตัว ล, ลึกปัญญาเป็นตัวพิจารณาสติเป็นตัวกําหนดเป็นตัวจับนะปัญญาเป็นตัวตัดเพื่อทําลายอาการเชื่อมโยงของจิตกับอารมณ์เหล่านั้น แต่การที่เราจะเห็นได้นั้นจิตมันต้องมองห็นโทษมองเห็นอันตรายมองเห็นความน่ากลัวมองเห็นเป็นภัยจะมีความคิดทีะหลีกหนีถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนกนันก็ไม่ยอมหนีเหมือนกันเดี๋วก่อนก็ได้พูดมาถึงสามตอนตอนที่ว่าด้วยการระ ล, ลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่านาปานสติในบาลีทรงใช้คำว่านาปนาปภะ แล้วก็ศึกษาจากเรียบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนแล้วศึกษาเรียบทย่อยทั้งหลายทุกทุกขณะของการขยับก็บยเยื่อขนไหวของร่างกา ย, ยก็จ้ตั้งสติลึกรู้เท่าทันถึงความจริงในขณะนั้นๆเพืนนนน่อตอห้เหตว่าชนคนเราไม่มีราคาความกับหนัดมากเกินไป ไมมีความโลภมากเกินไปก็สามารถที่จะทําใจให้สมุบแล้วมองเห็นเป็นกระบวนการเลือดไหลที่เกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปได้แต่ว่าบางทีเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขอย่างนั้นได้ดเาาราไปเห็สสมณะกรรมฐานในที่บางแห่งเนี่ยคือเอาศพเนี่ยมาผ่าจำแหละให้ดูแลถ่ายภาพเอาไว้บางแห่งก็ไปสาตั๊กเอาไว้แต่ให้คนดู เเป็นเครื่องมือคือยังรกว่าเครื่องมือในสมัยนี้คงไม่ต้องเอาศพจริงๆก็ได้นะคือถ่ายภาพไม้ชัดๆแล้วก็ถ่ายเป็นภาพประยนต์ให้ดูแล้วทำเป็นภาพสไลด์ให้ดูแล้วก็นั่งเพ่งดูคือไม่ต้องไปดูให้มันมีกรดเหม็นอะไรอยู่ด้วยอาจจะมีเชื้อโรคมีกลายเป็นพ่าหายโรคได้แล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมา พ, นพิ จ, จิติจณาในช่วงนี้ท่านเรียกว่า ปฏิกู ล, ลประเพณคือมองให้เห็นว่าร่างกายของเรานั้งเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลณแต่ดังที่เคยกล่าวไว้ในบันกอดโน้นว่าการมองว่าสวยไม่สวยเนี่ยมันมองอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือรวบถืออย่าคนนี้สวยบ้านหลังนี้สวยรถขันนี้สวยเสื้อผ้าตัวนี้สวยเป็นต้นคือมองหมดแต่บางทีไม่ได้มองทั้งหมดมองแยกส่วน เชื่ว่าคนนี้ผมสวยจมูกสวยตาสวยคิ้วสวยปากสวยอะไรแต่ไรต่างๆก็แยกแยกมาเจอแล้วพระเจ้าก็ส่งใช้ในแนวน้ำยอดกับน้ำบงเม่บอกว่าสวยก็แยกมาให้ดูแต่บางทีก็ยากเหมือนกันนะฮะมีภิกษุณีรูปหนึ่งถึงเป็นก็คงจะเป็นทาสีอะไรเนี่ยที่บ้าน แล้วก็เกิดพอใจติดใจหลงไหลคลั้งคลายในพระอนุนเทระซึ่งลองนลืกดูถึงอายุพระอนนนะพระอนุนในท่านปีเดียวกั บ, รบพระวุเจยาพระยอดสาตรุษสาสิบหกประมาณเจ็ดแปดปีเนี่ยพระอนุนก็บวชแสดงว่าตอนท่านบวชอายุสี่สิบกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าสาวยังหลงสเสน่ห์ตามตื้อพระอนุนไปไปถึงในวัด ผู้เจ้าก็เรียกมาพยายามอบรมสั่งสอนสอบถามว่าพอใจอะไรในอ น, นุนพอใจรูปร่างผู้เจ้าก็ อ, อธิบายรูปร่างให้เห็นว่าเป็นที่ประชุมของซากศพทั้งหลายมีผมคลเป็นต้นเธอก็แยกส่วนออกมาผู้เจ้าก็ทรงอธิบายหเห็นความปฏิกูลของร่างกายในแต่ละจุดกระจุดเอ้าจริงเธอก็ถ่ายถอนราคะความกำนัดไม่ได้สล้วบวชเป็นภิกษุณีตามตู้พระนลไปจากกลุ่ม ลรวจะคือสาวจชีเนี่ยไปบรรุมรรคผลที่โกสัมพีวางแผนหลอกปราณนลว่าป่วยนะให้ภิกษุณีมานิมนต์ปราณนไปแสดงธรรมให้ฟังคือวิเนยกำหนดเอาไว้ว่าถ้าภิกษุณีป่วยเนี่ยให้พระไปแสดงธรรมให้ฟังได้ไปเยี่ยมทั้งที่อยู่ได้ก็เป็นเพื่อนสัพรมจารีกันเนี่ยนะ ่ถึงก็ทําทีนอนคุม้มโปรงพระเตร่าก็จับทานได้นะแต่สอนให้ชิดสอนให้พิจารณาแต่สอนงงเห็นว่าไอ้ปัญหานี่เราอาศัยมันเพื่อลาณาได้แต่เวาลาราคเนี่ยพระเจ้าสอนให้ชักสะพัดือไปอาศัยมันไม่ได้มันไม่จะกินในกามทั้งหลายนะะคือความอิ่มในกามทั้งหลายนี่ไม่มีอิ่มแล้วก็หิวอิ่มแล้วก็หิวอิ่มแล้วก็หิวต่อไปเรื่อย จึงกลายเป็นหมุ่มวุ่นวายอยู่ในกามนันทํายังไงให้เหนื่อยหน่ายให้เบื่อหน่ายแล้วก็คิดจะแยกตนเองออกมาจากกามนั้นก็ทรงสอนพิจารณาในร่างกายนะว่าพิสษุทั้งหลายเ็าเอยังมีอยู่อีกพิสษุพิสษุนย่อมพิจารณากายนี้นี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปนะ เบื้องบนนี่นับตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปลองสังเกตนะหมายความเอาต่ําสุดนี่นับนับงองจากล่างสุดเนี่ยขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็เบื้องต่ําแต่ปลายผมลงมามองว่าไ อ, อ้มองมอ ง, มองจากปลายผมลงมาถึงพื้นเท้านะฮะแล้วก็แต่ละอย่างนี่มีนั่งหุ้มมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนะ ที่มีอยู่ในย่างกายนี้แล้วก็แยกส่วนออกมาที่จชินเลยนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังห้าอย่างนี้ห้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตรจักษบรรยากากรรมฐานท่านที่เคยเข้าในพิธีกรรมของการบรรพชาเป็นสามเณรก็จะได้ยินว่าอาจารย์สอนเรื่องตรจักษบรรยากากรรมฐานเนี่ย ให้วิจารณาโดยสีโดยสังขารโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยอาการชุ่มแช่ด้วยโบโบโดยหิดของผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยทุกนี้มันปรากฏออกข้างนอกที่เราเรียกว่าสวยนี่ลองสังเกตได้ยริงก็ผมคนเล็บฝันหนังก็ยังอยูนเราไม่เห็นน่ะไอมันอยู่ข้างในเท่งนั้นแหละหนังมันทุ่งไว้หนังมันหุ่งไม่มิดลระเกิดก็กลายเป็นหนังหุ่งอยู่โดยรอบ ตอนต้ตนๆก็สอนให้พิจารณาแค่แค่ห้าอย่างเอ่อบางทีก็ภาวนาเฉยๆนะฮะท่านฟังลองสังเกตก็ได้ลองลองทําดูก็ได้นะฮะเช่นว่าเกิดมีความรู้สึกมีความต้องการในทางเพศขึ้นมาต้องการจะบันเทาเนี่ยเอาเนี่ยมาภาวนาภาวนาเกษารุมานาคะดัมตาตะโจตะโจดันตานะคารุมาเกษารุมานาคะดัมตาตะโจตะโจดันตานะคารุมาเกษานั้นภาวนาไปได้เลย มันจะบรรเทาฮะมันจะบรรเทาความกําหนัดอาจจะเป็นง่ายทางจิตวิทยาคือว่าจิตมันเบี่ยงไปเพราะว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดํางริและจิตก็ไม่ไม่ดํางริมันคือไปภาวนาถึงผมกวนแล้วฝันหนังแล้วพอใจสงบมันก็จะพิจารณาพิจารณาก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจมีการไขว่คว้าเพื่อครอบครองเพื่อถือครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยมันก็คือจริงมันงุมกวนแล้วฝันหนังทันเด้ง ที่อาจเรียกว่าขันก็แยกเป็นห้ากองอรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าอนนเอานีเา้เอากองเดียวนะฮะกองรูปกองเดียวพูดเรื่องกองรูปกองเดียวแท่นั้นเองแล้วก็ดูเข้าไปข้างในข้างในเราก็ต้องความรู้นะะในความรู้ที่เกี่ยวกับสริระที่เกี่ยวกับกายทั้งหลายในข้างในเนี่ยที่จริงก็อาจจะเรียนจากปลาจากหมูจากเป็ดจากไก่ก็ได้ไปเดินอยู่ในกลางตลาดนะ จริงปรเด็นอยู่ในการตลาดมันรู้ิจารณ์น้องก็มาหาเราได้คืออย่างที่บอกว่าเอาควาจริงเนี่ยคนเราดูที่คิดยังไงเนี่ยจสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่เป็นการกลางธรรมดาเช่นพันไม้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาที่ยกขึ้นไว้ในี่ยตอนโตนมันก็เป็นของ ก, ากลางๆหรือว่าสายพิงก็เป็นเครื่องบรรณตรีแต่เอาควาจริงมันดูที่วิธีการในการคิดของคนเน่ย แต่คิดเป็นเราผู้เรื่องมันเป็นประโยชน์หมดเราลองสังเกตว่านแนวของรีไซเคิลที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถามว่านแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ไหมคือพระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดของอะไรก็ตามสกปรกกระกก เ, เทออะไรยังไงก็ได้นะเอามาเป็นครูได้ทค่นั้นเลยเป็นการศึกษาเรียนรู้เข้าถึงแก่งแท้ของเรื่อง น, นั้นไปตามลำดำับ เรายกขึ้นมาพิจารณาทีละชิ้นทีลชิ้นเห็นอะไรถนัดก็เอาอย่างนั้นแต่กรรมฐ า, านชุดนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งมันแบบเดียวกับพวกอสุภกรรมฐานคือว่าพิจารณาไปพิจารณาไปบางชีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สัปายะคือไม่ถูกกันเยาตมาเองไม่ถูกกันเลยเราพิจารณาที่ไหนเราได้เรื่องนฉะันข้าวไม่ได้เลยะครื่งไส้จะอา จ, จียนเลยพิจารณาไม่ได้ แต่ว่าศพที่เผาในี่พิจารณาได้เขาไปนั่งพิจารณาศพอยู่ในป่าชาเด็กเก็กำลังเผาตั้งแต่เริ่มเผานะฮะจนไหม้เป็นข่าวทานไปแล้วรู้สึกว่าดีเมื่อกือคือไม่ถึงกับหวาดกลัวหรือขยะแขยงเรินเกลียดหรือคลื่นไส้าอาเจียนอะไรจอะไรนี่ไม่ออกมาในลักษณะนั้นแต่พิจารณาพวกนี้พิจารณาไม่คได้นี่ครั้หนึ่งหลายปีมาแล้วที่สิริราช เขามีนิทรรศการในเรื่องตับไตไส้ปุ๋มของคนที่เขาแช่ขวดโหลไว้เนี่ยนะเดี๋ยวพระที่วัดเนี่ยไปดูกันเยอะไปดูเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดบันทันญาติโยมมาถวายพระตาหารเลีย้ยงอาหารหมดจังหวัดเป็นเลี้ยงอาหารจีนเนี่ยนะฮะแล้วพระก็เอามาพูดกันใช้พูดน่าเฉยตาเฉยอะคื่นใส่เลยคือมองเป็นพวกอยู่ในโหลไปหมดแหละ อันนี้มันไม่สัปปายะกับเราไม่สัปปายะกับเราเราก็ไม่เอากรรมฐานคนนี้เราก็ทํากรรมฐานคนอื่นอย่างแนวสัปปายะอย่างที่บอกเนี่ยที่พระเจ้าทรงวางกรรมฐานไม่เยอะในนี้ที่จริงถ้าเรานับรายละเอียดแต่มันยี่สิบเอ็ดหัวข้อเลยครก็อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละแต่ว่าถูกแยกออกไปให้เลือกเอานะคนตั้งหาจริตตั้งหากล้าปัญญาไม่มากดูที่กายดูจะไงล่ะ นะถ้าหากตัญหาจะหลีกบ้างกล้าเนี่ยมันต้องเข้ามาตรงเนี้แต่ถ้ากล้าไมีมากเท่าไหร่ก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่เรียบทดูที่เรีบทเล็กก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนี้หาสารัะมาดูที่การสงบจากมิวรณ์ตรงนี้เน้นที่การสงบจากกรรมฉันนี่เป็นหลักมา ก, ก่อนแล้นก็ดูผมขนลับฟันหนั ง, อองนหัวอุ้กระดูกเกี้ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับผังตืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำลูกไขข้อน้ำลูกก็เรียงลงมาจนโน้นจนถึงมันสมองนั่นมันก็ทรงสอนให้เห็นว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับ่ ถุงลึกอะไรก็ได้ก็สอบก็ได้นะก็สอบที่เราอะไรใส่ลงไปเนะี่ยฮะใส่ลงไปสารพัดใส่ลงไปใสร็แล้วเราก็เทออกมาเราจะเห็นว่าสิ่งเหนึน่งมันก็ออกมาตามมาสารพัดตามที่เราใส่ไว้เนะเราแล้วแต่ถุงยกตัวอย่างว่าเหมือนการเราใส่พวกข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสาร นะเราจะเห็นว่าเนี่คือข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งานีน่ข้าวสารก็ให้มองร่างกายอย่างนั้นอ่ะมองร่างกายว่าพิจารณาจากเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปเนี่ยที่มีนั่งหนันงห้องอยู่โดยรอบ แล้วก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างต่างดังกล่าวคือผมขนเล็บฝ่าหนังเล็บเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดนไตปอดสายใหญ่สายน้อยหานใหม่หันเก่าวน้ําดีน้ำเสเลดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหมือน้ํามันข้นน้ําตาบน้ํามันเหลวน้ําน้ําลายน้ําลูกน้ําไข่ข้อน้ําลูกเออทําไมจึงหองตรงนี้พระว่าตรงเนี้เราจะเห็นว่าถ้าจริงๆก็คือธาตุดินกับธาตุน้ํา ถดินกับธาตุน้ําตอนมันไปธาตุผสมแากการเด่นเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่น้ําดีลงมาก็ตเถอเป็นธาดน้ําพวกข้างบนก็เป็นพทัธ ด, ดินตรงนี้ก็สามารถเห็นได้โดยตาแต่ว่าถ้าลมธาตุไฟนั้นมันต้องกําหนดเอามันกระทบนะฮะลมไฟเนี่ยมันกระทบแต่ว่าถ้าลมนั้นจะอยู่อีกหมวดหนึ่งก็เรียกว่าธาตุปปะคือหมวดที่ว่าด้วยธาต์ แต่เมื่อตั้งใจพิจารณาไปอย่างนี้แล้วในที่สุดก็จะเห็นว่ามันเหมือนเดิมเห็นกายที่เป็นภายในบ้างเห็นกายที่เป็นภายนอกบ้างเห็นกายทั้งที่เป็นภายในภายนอกแล้วจะเข้าถึงกับดิธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างทําไมจึงใช้คำธรรมดาทุกคราวนั้น เพราะนี้มันเป็นกฎเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาที่มันอยู่โดยโดยโดยกฎของมันเองบางแต่ลยางเนี่ยความเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยกฎเกณฑ์มันมีปัจจัยมันเกิดมันก็เกิดมีปัจจัยตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ไปปัจจัยดับมันก็ดับนั่นก็แสดงว่าคนนี้เป็นธรรมดาธรรมดาก็คือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าธรรมััติติที่ตั้งอยู่โดยธรรมชาติ ธรรมนิยามก็ไปอยู ni, ่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับมันก็ไปย่อยกันไปเป็นคลื่นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สาบใดที่กระบวนการเหล่านี้ยังมีอยู่อาการทั้งหลายก็มุ่เนื่องกันไปคล้ายๆกับกระแสน้ํากระแสลมฝนตกแดดออกอะไรต่อะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดามันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้แต่ว่าสับได้ที่เหตุปัจจัยยังมีอยู่ จากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดาลองฟังด้วยภาษาบาลีแล้วบางทีก็คล้ายๆจะรุงรังนะรัแต่เราจะเห็นถึงในายะที่ลึกซึ้งว่าเป็นการรักสั่งสะท้อนเจาะลึกลงไปแทนที่จะฉาบฉวยดูเฉพาะข้างนอกเนี่ยมันสอนให้คนมองอะไรเป็นกระบวนการของเหตุผลไม่ใช่ไปตัดตอนมองอเฉพาะตอนใหนตอนไหนแต่มองเห็นทั้งระบบทั้งกระบวนการของมัน สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับอะไรมองกันไปอย่างงั้นแล้วในที่สุดเมื่อท่านพิจารณาไปอย่างนี้ก็จะมองเห็นว่าเอาข้าจิงเนี่ยกายของเราเนี่ยมองการเกิดขึ้นมองการเสื่อมไปมองท่านเกิดขึ้นแล้วการดับไป คือตาปกติช่วงของเขานี่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปแต่ทียิบนะฮะเราสังเกต ด, ดูดีว่าที่จริงก็ที่ยิดมากๆสมมติว่าเราเอาน้ําร้อนเทลงไปในแก้วเนี่ยมันเกิดขึ้นดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงคือความร้อนมันจะลดลงไปโดยลําดับและขัดนตท้ายจะหมดความร้อนไป น้อตาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราหยิบน้ําแข็งมาก้อ น, นวางปักเข้ามาก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและในสุดก็หมดความเป็นน้ําแข็งลงไปอะไรต่งตางๆในโลกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดดับไปไม่มีที่สิ้สุดอย่างที่พระเจ้าทรงสอนไว้ในปัจจุบันในพระนํามาใช้เป็นคาถามาบังสกุล อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานเนอบปัตตวิงอาทิเสสติจะกกลม้มบเนเนื้อแผน่นดินชุดดอเปตวิญญานโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังว่ากลิงกลังก็เหมือนกระท้อนไม้ที่หาสารประโยชน์หาแก่นสารอะไรไม่ได้ทิวของบุคคลเราทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้เ น, นื้อการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นปกติธรรมดาของเขา มันเอาไปจริงกายซึ่งเป็นที่ตั้งของความก้าหนัาเพื่อเพลินชื่อชมยินดีหรือเป็นที่เครียดแค้นชิงชัง่นะทั้งหลายเนะี่ยเราสังเกตว่าบางครั้งบางเทนะ่าเนี่ยเช่นว่คนต่อสู้กันกดแค่นกันบัตุสลายเนะี่ยคนหนึ่งตายแล้วมีหลายปีมาแล้วนะฮะคือคนที่ถูกฆ่าตายเนะ่ยก็คือเห็นหน้าเขาถูกแทงตั้งห้าสิบแปดแผลนะที่พัทยา อย่างนึกว่าโอ้โหนี่โกรธดูเดือดจังนี่แทงผีจะต้องเยอะนะห้าสิบแปดแผลยังนึกว่าสักสามแผลก็น่าจะตายแล้วอนะน้องนั้นในห้าสิบห้าแผลนี่แทงผีแทงศพเลยจะมันแสดงถึงโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี่ยจะเป็นการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์คนนี้ก็เป็นทนายก็ฟ้องร้องเรื่องที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่วัดกันที่ชาวบ้านทึก่กลุ่มที่วัดไปเยอะนะในบ้านในเมืองเราเนี่ย แตะเขาไม่ได้ละแตะเขาก็โกงลวนก็ เ, เดินกระบวนก็าด่ากล่าววาหาซื้อพิมพ์ก็ลงผ้าถัวด่าวัดจะหันแหลกวมดเลยไจริงวัดเนี่ยทนกลั่งือนต้องก็ปัญหาหคนแบเนี้คือสิ่งที่เขาให้บางทีมันไม่คุ้มกับค่าภาษีโรงเรียนในทั้งไปนะที่ก็ให้วัดเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามรักษาสถานะเอาไว้ เรียกร้องอะไรกัชาวบ้านไม่ได้ก็ต้องวานองขุมคืนที่จริงมั น, มาา น, มนมเป็นสมบัติของพระศาสนามันไม่ใช่เป็นสมบัติของพระแต่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงวพวกนีันเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของโลภตัวสะราคะโมหะและเสร็จแล้ว ม, มันมก็ล้มลงเดือแผ่นดินวิญญาณออกจากร่างแล้วก็หาสาระแก่นฐานอะไรไม่ได้แต่วิญญาณออกจากร่างแล้วนะฮะยังมีโ ท, โทสะอยู่ มีโทรศัพท์อยู่บางทีก็มีโลภะ น, นะฮะไปล่วงค้นของในกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรก็ด้วยนั่นก็แสดงว่าจริงๆริงมันกายนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้นเองว่ากายเนี่ยสมมุติว่ามีเนี่ยก็หรือสติว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เถิดนั้นแต่เพียงสักด์ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักด์ว่าเป็นที่อาศัยระลึก เธอย่อมไม่ยอมไม่ติดอยู่ในกายนั่นด้วยแล้วก็ไม่ติดอะไรในโลกด้วยเพราะในโลกที่จริงก็เป็นกายเหมือนกันนะประกอบไปดินน้ำลมไฟอากาศเช่นเดียวกันจิตใจก็จะเบื่อหนาจะคลายกับหนักผ่อนค ล, คลายความยึดติดความกำหนัดตืดเพลินด้วยความอาค่าแค้นทิงชังไม่รู้จะโกรกกันไปทําไม น, นะะเพราะในสุก็ตายเลย ว, ว่ากันตามความจริงเนี่ยที่จริงก็ดินน้ำลมไฟนะฮะ นำลงไฟอากาศที่นำลงไฟอากาศก็ไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยอำนาจของความหลงที่หุ้มห่อสติปัญญาของเราไว้เนี่ยทําให้เราไม่รู้ความจริงพราแนวตรงนี้ต้องการจะถ่ายถอนที่จริงก็คือสุภาวิปลาสเนี่ยเป็นหลักคือการคาดเคลื่อนมามองเห็นว่าเป็นความสวยงาม ใ, ให้ออกไปจากจิตใจเป็นประการสําคัญทั้งฝัง่งทั้งหลาย ในรงมพุทธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี